ทุกขในส98นเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสี่วาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีเจดวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเจดวาระณเอเสวนปัจจัยมีเจดวาระณกรรมปั <นะ S 1> จจัยมีเจดวาระณวิปากปัจจัยมีเจดวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นมม่าปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระติดกะในณอธิปติปัจจัยกับอารมณะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีเจดวาระนปุเรชาตะปัจจัยละถึงมีสามวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเจดวาระนอาศิวนปัจจัยมีเจดวาระนกรมะปัจจัยมีเจดวาระนวิปากะปัจจัยมีเจดวาระ ณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระพึงนับเหมือนเหตุมูลกะในอธิปติทุ ก, กะในส9งรอาสิบรมณปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณนะอนันตระปัจจัยละถึงมีห้าวาระณนะสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณนะอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระ ณปุเรชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอาศวณปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณกามปัจจัยมีเจดวาระณวิปากปัจจัยมีสิบเจดวาระณสัมบยุตตาปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนัตถปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ กับอธิปฏิปัจจัยและเหตุปัจจัยย่อกับอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยพึงขยายพิสดารเหมือนอารามณมูลกะในสหาชาตะทุกกะในสามร0และเหตุปัจจัยกับสหาชาตะปัจจมีสี4วาระนะอรณอารมณปัจจัยละถึงมีหวาระณนะอธิปฏิปัจจัยมี17เจดวาระ ณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิจญาปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตาปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตาปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอาศัยวะณปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมบยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิขตะปัจจัยมีห้าวาระติยกะใน ณอารามณะปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อณวิปากปัจจัยและถึงมีสิเจดวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับสหชาตปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยและถึงมีสามวาระโนนัตถปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระกับสหชาตปัจจัย เหตุปัจจัยและอารมณะปัจจัยย่ออัญญามัญญทุกขะในสามร้อยหนึ่งณเหตุปัจจัยกับอัญญามัญญะปัจจัยมีสี่วาระณอารมณะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณปัจชาชาตปัจจัยมีเจดวาระณอาศัยวณปัจจัยมีเจดวาระณกรรมปัจจัยมีเจดวาระณวิปากปัจจัยมีเจดวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระณมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเติกกะในณอารามณปัจจัยกับอัญญามัญญาปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจใจละถึงมีเจดวาระณอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิชยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณปัจชาชาตะปัจจัยมีเจดวาระณอาศัยวนปัจจัยมีเจ็ดวาระณกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยมีเจ็ดวาระณสัมปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกะใน น้อธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยเหตุปัจจัยและอรมณปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อนิจยะทุกกะในสามร้อยสองหน้าเหตุปัจจัยกับนิจยะปัจัจมีสี่วาระนิจยะปัจัยเหมือนสหชาตปัจจัยอุปนิจยะทุกกะในสามร้อยสาหน้เหตุปัจจัยกับอุปนิจยะปัจัจมีสี่วาระ ปุปนิจยปัจจัยพึงแจกเหมือนอารามณปัจจใจปุเรชาตะทุกกนายสามรสีเหตุปัจใจพระปุเรชาตะปัจใจมีสี่วาระณอธิปติปัจจใจละถึงมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเจดวาระณอาสิวนปัจจัยมีเจดวาระณกรรมปัจจัยมีเจดวาระณวิปากปัจจัยมีเจดวาระ นัชาเนปจจัยมีหนึ life, ่งวาระนัมคราปจัยมีหน <ask tering> ึ or, ่งวาระกระปูเรชาตปัจจัยและเหตุป <elle> ัจจัยอาเสวณะทุกขในส้ยห้านเหตุปัจจัยกับอาเสวณะปจจัยมีสี่วาระนอธิปติปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระนัปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีเจดวาระ นกรรมปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยมีเจดวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระติกะในนักอธิปติปัจจัยกับอาเจวนปัจจัยและเหตุตปัจจัยมีเจดวาระนัปุเรชาตะปัจจัยและถึงมีสามวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระ ณวิปากะปัจจัยมีเจดวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระจะตุกะในสามร้อณอธิปติปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อณปัจฉาชาตะปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยเหตุปัจจัยละถึงปุเรชาตะปัจจัยกรรมปัจใจอาหาระปัจจัย อวิคตะปัจจัยมีเจดวาระณวิปากะปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระกลธรรมทุกะในสยเจ็ดณเหตุปัจจัยกับกรรมปัจใจมีสี่วาระณอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระ ณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีหวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเจวาระณอาศัยวนปัจจัยมีสิบเจวาระณวิปากปัจจัยมีสิบเจดวาระณอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมยุญตะปัจจัยมีห้าวาระณวิปุญตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคขะปัจจัยมีห้าวาระติดกะในณอารมณปัจจัยกับกรรมปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณวิปากปัจจใจละถึงมีสิเจวาระณสัมยุญตะปัจจัยมีห้าวาระ นวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตตาปัจจัยมีหวาระวิปากะทูกะในสามยแปดนัเหตุปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอารมณปัจจใจละถึงมีหนึ่งวาระนัอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจชาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาศัยวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระติกกะในณอารามณะปัจจัยกับวิปากะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมณันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญะมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิจยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาศัยวนปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมยุญตตปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปุญต์ตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระทวาทศกัณในณปัจฉาชาติปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยละถึง ปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอเสวณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระเทวีสกะในนาปัจชาชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยเหตุปัจจัยละถึงปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอเสวณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระย่อ อาหาระทุกข์ในสามร้อยเก้าณเหตุปัจจัยกับอาหาระปัจจัยมีสี่วาระณอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยละถึงมีห้าวาระณสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระณอญญมัญ ญ, ญ, ญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระ ณปุเรชาตปัจจัยมีเจวาระณปัชชาชาตาปัจจัยมี17วาระณอาศวณปัจจัยมี17วาระนกรมมปัจจัยมีเจวาระณวิปากปัจจัยมี17วาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตาปัจจัยมีหวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสวาระ โนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระติกระในณอารมณปัจจัยกับอาหารปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณวิปากปัจใจและถึงมีสิบเจ็ดวาระณสำปรยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อ อินทริยะทุกขในสามยสิบณเหตุปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมีสวาระณอารมณปัจจัยละถึงมีหวาระณวิปากปัจจัยมี17วาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตะปัจจัยมี3วาระ โนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระกลับอินทรียาปัจจัยและเหตุปัจจัยย่อชานะทุกขในสาม้อยสิบอ็ดณเหตุปัจจัยกับชานะปัจใจมีสี่วาระณนะอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระณนะวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณนะมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระ นสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระกับชาณปัจจัยและเหตุปัจจัยย่อมัคระทุกกะในสามรยสิบสเหตุปัจจัยกับมคปัจจัยมีสามวาระณอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระ นวิปากะปัจจัยกรรมะคปัจจัยมีสิบเจดวาระนสัมปยุตตะปัจจัยละถึงมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระณอารามณปัจจัยกรรมครับปัจใจและเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อกับสัมปยุตตปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอารามณปัจจัย วิปยุตตะทุกกะในสามรยสิบนเหตุปัจจัยกับวิปยุตต ะ, นะะปัจจัยมีสี่วาระณอารามณปัจจัยละถึงมีห้าวาระณนะอธิปติปัจจัยมีสิเจวาระณนะอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณนะอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณนะอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระ นภุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนปัจชาชาตปัจจัยมี17วาระณอาศิวนปัจจัยมี17วาระนกรมมปัจจัยมีเจวาระณวิปากปัจจัยมีสิเจวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระโนนติปัจจัยมีห้าวาระโนวิขตปัจจัยมีหวาระ ทิกในณอารมณะปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยและเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยและถึงมีสิบเจดวาระณอันันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสิเจดวาระ ณอาศัยวณัปจัยมีสิบเจดวาระนกรมมปัจจัยมีเจ็ดวาระณวิปากะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระจตุกะในณอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระณปูเรชาตะปัจจัยกับ ละถึงมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณอาสิวนปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนกรรมะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยกับมีเจ็ดวาระปัญจกะในณปัจฉาชาติปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยและอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระ นาอาศัวนปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระนกรรมปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับมีเจ็ดวาระเตรสกกะในสาอาศวนะนปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปฏิปัจจัยละถึงปุเรชาตปัจจัยและอาศัวนปัจจัยมีเจดวาระ นกรรมปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระนวิปากะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระเตวีจกะในนักปัจฉาชาติปัจจัยกับวิปยุตต์ปัจจัยเหตุปัจจัยละถึงอาเสวณปัจจัยกรรมปัจจัยอาหาระปัจจัยอวิปตปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากะปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระจุดทัศกะใน สวิปากะนปัชชาชาตปัจจกลับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยย่อปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอาศัยวเนปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระเตวีสกะในนปัชชาชาตะปัจจกลับวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยละถึงปุเรชาตะปัจจัยกรรมปัจจัย วิปากปัจจัยอาหาระปัจจัยย่อและอวิคตาะปัจจัยมีหนึ่งวาระน่าอเสวนาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระกับอธิปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตะปัจจัยกับนัตถิปัจจัยและวิกคาะปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอารมณะปัจจัยกับอวิคตาะปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตาปัจจัย อนุโลมปั จ, จนิยะในปั จ, จยะวาระจบสปัจญยะปั จ, จนิยานุโลมนเหตุทุกขะในส1 4้อสิอารมณปัจจัยกับนเหตุปั จ, จัจมีสี่วาระ อนันตระปัจจัยและถึงมีสีวาระสมณันตระปัจจัยมีสีวาระสหชาตปัจจัยมีสีวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสีวาระนิสยปัจจัยมีสีวาระอุปนิสยปัจจัยมีสีวาระปุเรชาตปัจจัยมีสีวาระอสิวะนปัจจัยมีสีวาระกรรมปัจจัยมีสีวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจใจมีสีวาระอินทรียป e um ัจใจมีสีวาระชาณะปัจใจ ม, สสมีสี่วาระมัคคะปัจัยมีสามวาระสมประยุตตะปัจใจมีสีวาระวิประยุตตะปัจใจกับนัเหตุปัจใจมีสีวาระอธิปัจใจละถึงมีสีวาระนัฏิปัจใจมีสีวาระวิคตะปัจใจมีสีวาระอวิคตะปัจใจมีสีวาระ ติสกะในสหชาติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและอนะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนิสยาปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจัจมีหนึ่งวาระ วิบยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคัตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัตตกะในสหชาตะปัจจัยคลับนาเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปฏิปัจจัยณอนันตระปัจจัยณสมันตระปัจจัยและณอัญญะมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจยปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ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 สหชาตปัจจัยกับนเหอตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอันันตรปัจจัยณสมันันตระปัจจัยเนอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณนปัชชาชาตปัจจัยณอาศัยวะณปัจจัยและณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระจุตสกะในสหชาตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนอารมณปัจจัยละถึงนกกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยและณอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจญาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อว ja ิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระเอกวีจกกะในสหชาตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณะปัจจัยละถึงนกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหาระปัจจัยณอินทริยะปัจจัยและถึงโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจยาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อนาอารมณะทุกกในสามร้อยสิบห้าเหตุปัจจัยกับนาอารมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีห้าวาระชาชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระชาณะปัจจัยมีห้าวาระมัคคะปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระติกะในสหชาตะปัจจัยกับณารมณปัจัยและณเหตุปัจัยมีหนึ่งวาระ อัญญมัญญะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนิจยะปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนาอารมณปัจจัยและนาเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิคตะปัจจยและถึงมีหนึ่งวาระย่อณอธิปติทุกขในสามร้อยสิบหกเหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหาชาตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีเจ็ดวาระ นิจยปัจจ ER ัยมี Belt, ad 17วาระอุปนิจยปัจจัยมีเจวาระปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอายตวนปัจจัยมีเจดวาระกรรมปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมี17วาระอินทริีปัจจัยมี17วาระชานะปัจจัยมี17วาระมัคคปัจจัยมี17ดวาระ สัมปยุตตาปัจจัยมีเจดวาระวิปยุตตาปัจจัยมี17วาระอธิปัจจัยมีสิเจวาระนัถิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิเจวาระเต็กกะในอรามะณปัจใจกับนอธิปฏิปัจจัยและนเหตุปัจใจมีสี่วาระอนันตระปัจใจและถึงมีสี่วาระ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 อินทริยปัจจัยมีสี่วาระชานะปัจจัยมีสวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสามปยุตตะปัจจัยมีสวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสวาระอธิปัจจัยมีสวาระนัตถิปัจจัยมีสวาระวิคตะปัจจัยมีสวาระอวิคตะปัจจัยมีสวาระจะตุกนใน สหาชาตะปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระย่อทุกกะในมีนอนันตระปัจจัยเป็นต้นสามเจละถึงกับนัอนันตระปัจจัยนสมนันตระปัจจัยนอัญญมัญญปัจจัย และนอุปนิสยปัจัยปัจจัยนี้เหมือนกับนอารมณะปัจจัยนปูเรชาตะทุกกะในสามรอยสิบปดเหตุปัจจัยกับนปูเรชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระอันันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระ สหชาติปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระอาเศวณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคปัจจัยมีเจ็ดวาระ สัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนณติปัจจัยมีสามวาระวิขตะปัจจัยมีสามวาระอวิขตะปัจจัยมีเจดวาระติกกะในอารามะณปัจจัยกับนะปุเรชาตะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสองวาระ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 มัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนาิปัจจัยมีสองวาระวิเคตะปัจจัยมีสองวาระอวิเคตะปัจจัยมีสองวาระเจตุกไนสหชาตะปัจจัยกับนาปุเรชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนาอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิเคะตปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระย่อณปัจฉาชาตุทุกนายสามสิบเก้หตุปัจจัยกับณปัจฉาชาตาปัจจัยมีสิบเจดวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีเจดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบเจดวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมานันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตาปัจจัยมีสิบเจดวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีเจดวาระนิจยปัจจัยมีสิบเจดวาระอุปนิจยปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอสิวะนปัจจัยมีเจดวาระกรรมปัจจัยมีสิบเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยมีสิบเจดวาระอินทริยปัจจัยมีสิบเจดวาระชานะปัจจัยมีสิบเจดวาระ มัคคับัตใจมีสิบเจดวาระสำปรยุติปัจจัยมีเจดวาระวิปยุติปัจจัยมีสิบเจดวาระอธิปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนัธิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบเจดวาระติกกะในอรามะนะบัจัยกับนปัจฉาชาตะปัจจัยและนเหตุตุบัจใจมีสี่วาระ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 อาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทริยปัจจัยมีสีวาระชาณะปัจจัยมีสีวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสำยุตตะปัจจัยมีสีวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสี่วาระอัติปัจจัยมีสี่วาระนาฏิปัจจัยมีสีวาระวิคตะปัจจัยมีสี่วาระอวิคตะปัจจัยมีสีวาระจะตุกนัย สหชาตปัจจัยกับนปัจชาชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระย่อหนาอเสวณทุกขในสามอยี่สิทเหตุปัจจัยกับหนาอเสวณปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ อนันตรปัจจัยมีเจดวาระสมณันตระปัจจัยมีเจดวาระชาชาตาปัจจัยมีสิบเจดวาระอัญญะมัญญะปัจจัยมีเจดวาระนิสยปัจจัยมีสิเจดวาระอุปนิสยปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระกรรมปัจจัยมีสิบเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสิบเจดวาระ อินทริยปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระชานะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระมัคคปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระสำปรยุตตะปัจจัยมีเจดวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอธิปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนัธิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระเติดกะใน อารามณะปัจจัยกับอนอาเศวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสีวาระอนันต ร, รปปจจะปัจจัยและถึงมีสีวาระสมนันตระปัจจัยกับณอาเศวณปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสีวาระสหชาติปัจจัยและถึงมีสีวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสีวาระนิสยปัจจัยมีสีวาระอุปนิสยปัจจัยมีสีวาระ ปเรชาตปัจจัยมีสวาระกรรมปัจจัยมีสวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสวาระอินทริยปัจจัยมีสวาระชานะปัจจัยมีสวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสวาระวิปยุตตปัจจัยมีสวาระอธิปัจจัยมีสวาระนัธิปัจจัยมีสวาระ วิคระตปัจจัยมีสี่วาระอวิคตปัจจัยมีสี่วาระจตุกะในสหชาตปัจจัยกับณเอเสวนปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระยอ่อณกรรมะทุกะในสยยี่สิเอ็ดเหตุปัจจัยกับณกรรมะปัจจัยมีเจดวาระ ปารมณปัจจัและถึงมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยกับเนกรรมะปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจัและถึงมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญะมัญญปัจจัยมีเจดวาระนิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสยปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระ อาเสวนปัจใจมีเจดวาระอาหารปัจใจมีเจดวาระอินทริยปัจใจมีเจดวาระชาณะปัจัยมีเจดวาระมัคคปัจใจมีเจดวาระสัมปยุตตปัจใจมีเจดวาระวิปยุตตปัจใจมีเจดวาระอธิปัจใจมีเจ็ดวาระนัธิปัจใจมีเจดวาระวิคตะปัจใจมีเจดวาระอวิคตะปัจใจมีเจดวาระ เกณัยอรามะนะปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจใจและถึงมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระปัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจญาปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปานิจญาปัจจัยกับนกรรมปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ภูเรชาตปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระอสิวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระสำปรยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถปัจจัยมีหนึ่งวาระวิขตปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิคตะปัจจัยม <for andar. S 2> ีหนึ่งวาระจะตุกะในสหชาตาปัจจัยกนักรรมปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระปัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อ นวิปากะทูกะในสยยี่สสองเหตุปัจจัยกับนวิปากะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอารมณปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยกับนวิปากะปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยละถึงมีสิบเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระ นิสยปัจจัยมี17วาระอุปานิสยปัจจัยมีเจวาระปูเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอายสวนปัจจัยมีเจดวาระกรรมปัจจัยมี17วาระอาหาระปจจัยมี17วาระอินทริยะปจจัยมี17วาระชานะปจจัยมี17วาระมัคคปัจจัยมี17วาระสัเบยุตตะปจจัยมีเจวาระวิเยุตตะปจจัยมี17ดวาระ อธิปัจจัยมีสิบเจดวาระนัธิปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจัยมีสิบเจ็ดวาระติกะในอรามะณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนาเหตุปัจัจมีสี่วาระอานันตระปัจจัและถึงมีสี่วาระสมนันตระปัจจมีสี่วาระสหชาตะปัจจมีสี่วาระ อัญญัญปัจใจมีสี่วาระนิสยปัจใจมีสี่วาระอุปนิสยปัจจัยคณะวิปากปัจจัยและนาเฮตุปัจใจมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยละถึงมีสีวาระอสิวนปัจใจมีสี่วาระกรรมปัจใ จ, จ, จมีสี่วาระอาหารปัจใจมีสี่วาระอินทรียปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระ มัคคับัตใจมีสามวาระสัมปยุตตปบัจใจมีสี่วาระวิปยุตตาบัจใจมีส hmm. <us ี <us <us ่วาระอธิปัจใจมีสี่วาระนัธิปัจใจมีสี่วาระวิคตปบัจใจมีสี่วาระอวิคตาบัจใจมีสี่วาระจะตุกระในสหชาตาบัจัยกับนวิปากปัจจัยนาเหตุตุบัตใจและนาอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 หนอาหาระทุกกะนสามรอยี่สิบสามสหชาตปัจจกับนอาหาระปัจจมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจมีหนึ่งวาระกรมปัจจมีหนึ่งวาระอินทริยะปัจจมีหนึ่งวาระมาติปัจจมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจมีหนึ่งวาระย่อนอินทริยะทุกกะใน 324. สหชาตปัจจกับนอินทรียปัจจมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปฏใจละถึงมีหนึ่งวาระนิจญปัจจมีหนึ่งวาระกรรมะปัจจมีหนึ่งวาระอหรปัจจมีหนึ่งวาระอธิปัจจมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจมีหนึ่งวาระย่อณชาณทุกไนสอยี่สิห้า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 และถึงมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนัธิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจะตุกะใน สหชาตปัจจัยกับนชาณปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ย่มอมัคคะทุกะในสามร้อยอารมณะปัจจัยกับณมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยกับนมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 วิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกใต้สหชาตาปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยน้เหตุปัจจัยและหน้อารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญาปัญญาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยกับมีหน <forcément cities S 1> ึ่งวาระชาณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตตะปัจัยกับมีหนึ่งวาระย่อณสัมปยุตตะทุกกในสารอยยี่สิบเจ็ดเหตุปัจจัยกับณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระ อธิปฏิปัจจัยละถึงมีห้าวาระสะชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจญยปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมีห้าวาระอินทริยปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีห้าวาระมัคคปัจจัยมีห้าวาระ วิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระอวิขตาปัจจัยมีห้าวาระติดกะไนสหาชาตาปัจจัยกับณสัมปยุตตาปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิขตาปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระยอ่อณวิปยุตตาทุกกไนสยยี่สิบด เอตุปัจจ no ัยกับนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอรามะนปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยะปัจจัยมีสามวาระอุปนิจยะปัจจัยมีสามวาระ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 อวิคตะปัจจัยมีสามวาระติดกันในอารามณะปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตะปัจจัยมีสองวาระอัญญามัญญะปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีสองวาระ นิสยปัจจัยละถึงมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระอสิวะนัปัจจัยมีสองวาระกัมมปัจจัยมีสองวาระอาหาราปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจใจมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตะปัจจใจมีสองวาระอธิปัจจใจมีสองวาระนาธิปัจจัยมีสองวาระ วิคตาปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระจะตุกไนสหชาตาปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจใจนัเหตุตปัจจัยและนอารมณะปัจจใจมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับนอรมะณปัจจัยปัจจนียานุโลมในปัจยวาระจบปัจยวาระจบ